ก็บ่มีอย่างหนึ่งนี่แต่ว่าตามาก็ดีใจที่ท่านอาจารย์เป็นมาเพราะว่าเรื่องนี้บ่เคยบ่เคยได้เปิดเผยกับว่ไใดเพราะว่าเปิดเผยไปแล้วมัก้กะเมื่อไรอย่างก็เลยบ่ต้องเปิดอยู่เหตุเป็นคนหูหนวกตาบอดไปเลยแล้วกันไปเอาตัวเองเป็นตนลอดยอดดีวา่าใตสั่งก็ได้ แต่ว่าเฮียนมาแล้วนำนี่แหละหลวงพ่ออาจารย์มหาปานเฮียนนำหกชิ้นไปแต่อาจารย์พระอาจารย์มหาปานก็เห็นองค์นี้เฮียนจกปรโยหกจากเมืองไทยสาตตอนนปรปโยเกเฮียนทุกอย่างอภิธรรมมยังเฮียนมดเฮียนเทศ เ, เทศยังกระไรม่าสันต์เฮียนมูลเดิมมยังก็ ส, งงสูตรพระอภิธรรมในเฮียนหกสองสามหามลบเฮียนจิตจิตสิกรูปในฝันมันเียนตลอด ยันจวบมหาธานกกาพอดีตอนสมัยนั้นมันยังน่อยอยู่เห็นอาจารย์มหาปานอ่คด้สนใจอยู่อายุสิบสองสิบสามปีเถิดไปในงานบุญของปุณงานบุญก็เหตุบุญแล้วปกณเถิดเถิดก็ฟังยืนฟังไปแล้วจากปุณเถิดเนระูจ า, าจโุบเกียวพู้เจ้าตวาอาจารย์มหาปานเรัทานั้นพอดีพังกอเจ็ดสิบสาม เจ็ดสิเอ็ดจุดสองเกิดฆ่าเมื่อหักแล้วก็คิดหาพระถนันอเ น, นวสันสันในฟังคิดจะบวชจะฆ่าตัวตายหลายเรื่องระเบิดแกะซองเธอแต่ว่าไม่ยังไม่ตายคันตายก็ไปไดม้มาหนังอยู่นี่มาสันภาวันมีผูบ้บอกเ อ, อ้าคนหวงตาบอดมันยังก็มีอยู่ก็เลยบวชแล้วคึกอยากสิเท่านั้นแล้วก็เลยทำให้อุทีศได้เฮาสี ยังอยู่ต่อบอ่หมายถึงว่าบวชระบบศิษแต่ยังอยู่ต่อเส้นสสบบวิชัยแจศิษยสมุปพระก็เลยบว่าต้องไปฝึกอิปัสสนากรรมฐานอิปัสสนากรรมฐานเป็นอะไรต้องไปหาเองต้องไปหาสำนักบุคคลอาจารย์มหาปานอยู่วัดนั้นวัดนา้นวัดนั้เพื่อ น, น, นสอนในปะะัสสาก็เขียนในปัสสาวได้สิบห้าวันเขียน รร 6, 6, เหีนนยตนาสิบสองภายในภายในหกภายนหกก็เหียนไป 6, หูหูเวทนาสัญญาจังการหูอ่าแล้วก็เอินว่าหูอนหูเสียงกินหลดพุทธภพทำลงก็เหียนไปเลยเหียนได้ซิมาวันแล้วก็เข้าปฏิบัติเลยบุญจกอย่างอ่าก็ว้าวคือกังไ ม, อมนะ่อาเนาะอาจริงเอาจังอยู่พุ่นบอลในก็เลุแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าทา้าเฮาเหตุใด บว่าติเหตุยังที่ยืนกายหูต่ยืนเสาะอันเนประสบการณ์ยืนกายหูต่ยืนในหูจักนางกายหูตายนางยางกายหูต่อยางนอนกายหูตนอนนอนไปเสียเลยอันนี้ข้อฝาอีกตึงอัตมาเราเลื่อยอยู่ในเวลาเหตุเพียงยังคือว่าเบนว่าจิตน่ะมันหับแต่อันเดียวอารมณ์เดียวความหมายขั้นสองอันเลยบอกเข้าใจ ว่าวใดติดสองคนผู้ที่สามมาว่าเนียินหูแต่ว่าบอกเข้าใจเพป่ะเดินว่าอารมณ์เดียวถ้าว่าเขาเฮ็ดได้ว่าวเลยพระเวลาสันเขา่าห้เม็ดไม่ออกเราเถือสันเข่าก็มาถามนั่นถามนี่โอ้สารพัดเลยทีนี้พวกพ่อเขาหูแล้วแต่ว่าก่อนสิหูนี่โอ้ยสิบกว่าเปอย่ามาถามกําลังสันอยู่อบทีกับบสันเลยเอาเข่าเหนียวแล้วก็จับไว้ เหตุสิ่งละอาจารย์คือเบญสังไม่ออกยังคุยอยู่คุยสุขอนจังสังก็เลยอ่ะไปแล้วไปอันนี้สำคัญที่สุดเวลาล้างทวยไกลหูต่ล้างถวยคันคุยแล้ะมันมีผิดพลาดอาตมานี่เก็ผิดพลาดล้างถวยแดว่าแดคิดแด่ละไปและจอกรดจางมอตุ่ม ถ้ามีแต่ลลางอย่างเดียวเนี่อ่ะหลางหลางหลางหลางอ่ะจับอะไรกันจับจับในเบิง้งมันอยู่อยู่นี่คือว่าต้องไปหนังรับตาเมด่อได้สาวหาคำขันนางได้แต่ว่าถ้าหากความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่มันใส่ยไปไหนเป็นว่าจะสักติดใจสุดท้ายอาจารย์องค์หนึ่งเป็นบอกว่าทุกสายถูกหมดการปฏิบัตินับแต่แต่อารหังพุโทโธ ยุบหนอพองหนอจังหวะแล้วก็แล้ลวแต่ทูกเท่านั้นแล้วก็พิษเท่านั้น ก, กิิดทูแล้วก็ผิดแล้วเปิ้ลว่าเฮ็ดเฮ็ดยั้งก็แล้วแต่สิ บ, บังอากาศบังยั้งก็แล้วแต่เบังมืนตาก็ได้ลับตาก็ได้แล้วแต่จริตเอิร์นมาจริต จ, จริตคือฝรัง่งมันกินมันกินเพชรขเขาเลยมันกินเพร็รกระไรลาไปกินเพชรแทบฝรัง่งกินเพชรแล้วนันตาออก มันเอิมาจริตเจ็ดสิงคนแล้วข็ฝากว่าเป็นว่าองค์นี่เป็นก็ฟังแล้วมันยังลายอย่างเป็นว่าจะนียหาว่ากิเลสมันลดแล้วทุกอย่างภาวนาทุกหมดเป็นว่าจะสายใดก็เล่วแต่ทากิเลยังห่ดลดการแสดงว่ายังหมดถูกถูกแต่ว่ายังหมดในนอนือว่าเห็นไหมอ่ะเออ ใจจันแนบอันนี้ข้อฝากไว้คือให้หูตลอดเหตุนังไกลหูนั่งไกลหูแต่นัง่งยืนไกลหูแต่ยืนกำลังตีงไกลหู้เออตอนนี้ตียงอยู่ตียงอยู่เ อ, อ้าไม่จ็บปวดเมื่อเหตุตลอดตลอดเสร็จแล้วจิตมันอยู่อยู่แล้วก็มันก็สํานานไปเลยอันนี้ข้อฝากไว้โมทนาสาธุทีท่านอาจารย์เป็นมาเนี่ยครัเขาน่าก็า ด, กดีใจ เพระว่าเรื่องนี้บ่เคยได้เ่เคยได้ไม่ เ, เคยได้คิดว่าสีเหตุหรือยังมิตรวะผู้ใดเหต็ใดก็เลิแต่ผูไใดไวะนั่นเอเป็นอ า, านนนนอสั์และระอบนาจบุญกุศลที่พวกเขาได้ตั้งใจม า, าปฏิบัติมีท่านอาจารย์เป็นหลักพ้นเอาธรรมะคำสอนของพระเเจ้ามาบอกมาแนะ เวลายาวเป็นผู้ผู้โหผู้เตือนผู้เบิกบานให้มีสติควบคุมตนเองพิถูไกล ห, หู้อยากกระบอเอาบ่อยากกระบอเอาให้เอาตามหน้าทีปฏิบัติตามนาที่ไปเรื่อยๆจนกลัวในชีวิตติสุดสิไปใส่ก็แล้วแต่ความ น, น่าอุสส่วนนี้จงเป็นพลอปัจจัยในชีวิตสุดท้ายก็คือการบเกิลบแก่ไปเจ็บไปตายทุกโทนากันเถอดตามนื้อ ลัตนตตาเยประมาณเทนะรัวารัตตาเยนะกัตังสาบังอปาราหังขมาทุโนพันเตลัตนัตออัจริเยประมาเทนะทวารัติเยนะกัตัง สัพพังอปาราธั ง, ธงขัมมทุนโนพันเตรัต น, น, น, นตเยปมาเทนะทวารตเยนะกะตังสัพพังอปาราธังขัมมทุโนพันเตข้าแต่พระนัตไตรัยและท่นะททานครูอาจารย์ทั้ทาาาทงหลาย ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดลงเกินด้วยกายวาจาใจจช่โดยเจตนาข้อดีไม่เจตนาข้อดีข้าพเจ้าทั้งหลายขอเข้ามาในความผิดพลาดนั้นขอพระคุณเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรม ข้าพเจ้าทั้งหลายจะสํารวมระวังต่อไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานถืน